ฉันเลยเจอเธอเมื่อวันก่อนเดี๋ยวก็นนาวเดี่ยวก็วร้อนในใจใมันไม่สบายรขมันขึ้นจนปวดหัวกินอะไรก็ไม่ลงไม่อร่อยมีอาการนังง่งมมารอยนั่งซึมนั่งจ้อยนั่งรอแม้จะมอยงใส่หัว ใจแห้งเหี่ยวเธอคนเดียวที่ฉันต้องการ Want t o help help อยากเห็นหน้าเธอทุกวินาทีตั้งแต่วันที่เจอเธอเป็นอะไรที่เรียบร้อยลงเรียนเธอมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวที่ช่วยฉันได้ d i